ตั้งใจสํารวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้พุ่งซ่านไปทางอื่นเวลานี้เรามาประชมุมพร้อมเพียงกันเพื่ออบรมจิตใจให้เข้าถึงความส ง, งบ ความสงบเป็นสิ่งที่ปรารถนาทุกคนในโลกนี้แต่คนส่วนมากต้องการเฉยๆแต่ไม่ทำไม่ทำเหตุที่จะให้เกิดความสงบก็เลยไม่ได้พบกับความสงบคนส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่ลงมือทำกัน ที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าตัณหานั่นเองแหละมันยั่วใจอยู่เสมอทำให้จิตใจนั้นดิ้นหลนออกไปไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะตัณหามันลบเล่าเอาบุคคลผู้มี กำลังบุญราชนาบารมีน้อยก็สู้อำนาจตันหาไม่ได้จึงได้ปล่อยใจของตนให้ไหลไปตามกระแสของตันหาเหุตันจึงสงบไปได้ดังนั้นผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็อย่าไป ย, ยอมตกเป็นทาสของตันหา ปัญหามันจะชวนให้คิดไปไหนต่อไหนก็อย่าไปตามมันต้องมีสติเข้ามาควบคุมจิตใจนี้ให้ตั้งอยู่ภายในทีแรกนี่มันก็ตั้งได้บ้างแล้วก็ล้มไปบ้างก็เป็นธรรมดาเมื่อมันยังตั้งหลักไม่ แน่นอนมันก็เป็นอย่างนั้นไปก่อนแหละคือว่าสงบไปได้นอนหนึ่งมันก็คิดไปพุ่งไปอา้าวตั้งสติไหมตั้งสติระลึกเข้ามาในปัจจุบันนี้ไหมเมื่อสติมันยังเข้าไปภ า, ายในได้มันก็สงบล้องเมื่อมันเผลอมันก็พลิกไป เป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละจิตใจอันนี้ถ้าขาดสติสัมปชัญญะแล้วมันสงบอยู่ไม่ได้จริงๆเพราะ <c oughs> นั้นการที่เราหัดมันระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่บ่อยๆนยเป็นการฝึกสติสัมปชัญญะให้มันแก่กล้าขึ้นในใจให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าผู้ใดไม่มันระลึกเข้ามา เช่งดูกายดูใจนี่บ่อยๆแล้วแสดงว่าผู้นั้นไม่ได้ฝึกสติให้แก่กล้าก็ไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบอยู่นานได้เลยสงบไปนินดหน่อยๆแล้วมันก็คิดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นก็เลยไม่ได้เรื่องอะไรอ่ะไม่ได้ความอุ่นใจเลย เพราะฉะนั้นอย่าพากันนิ้งนอนใจอันใจไม่สงบนี่นะมันไปเกิดได้ทั่วแหละส่วนมากก็ไปเกิดในที่ต่ำถ้าหากว่าทำใจอย่างนี้ไปจนตลอดหมดลมหายใจเขาออกนู่นมันก็ไม่ไหวอะความปรารถนาอยากจะ ให้มันไปเกิดที่ดีที่มีความสุขความเจริญมันกับผิดหวังไปเพราะเนื่องจากว่าตนไม่ฝึกจิตใจอันนี้ให้มันเข้มแข็งต้านทานต่ออำนาจของกิเลสตัณหาอันหยาบคลายไม่ได้ถูกกิเลสตัณหามันจูงเอามันดึงดูดเอาให้ไปคล่องอยู่ ในภายนอกอย่างใดอย่างหนึง่งไปผูกพันไว้ดังนั้นเมื่อเวลาเจ็บหนักลงไปใจก็บันไวต่อทุกขเวทนาเพราะไม่เคยอดไม่เคยทนไม่เคยเพ่งทำความรู้เท่าทุกขเวทนาต่างๆนี้มาแต่ก่อน พอได้ประสบกับทุกขเวทนาอย่างรุนแรงเข้าไปจิตใจก็ปลิวไปเลยมันเคยยึดเคยถือสิ่งใดไว้ภายนอกนู่นมันก็ยึดถือสิ่งนั้นไว้มันก็ดิ้นไปยึดถือสิ่งนั้นแหละเมื่อมันอดทนต่อทุกขเวทนาไม่ไหวนั่นลองคิดดูให้ดีเป็นอย่างนั้นแหละ คนเรานี่เหตุที่จะพ้นจากทุก์ไปไม่ได้ก็เพราะไม่ควบคุมจิตใจตัวเองนี่พูดอย่างสั้นๆนะเป็นอย่างนั้นดังนั้นจิตตัวเองนะก็เป็นหน้าที่ของตอนนั่นแหละจะพึ่งควบคุมเอาเองจะให้คนอื่นควบคุมให้ไม่ได้ไม่มีใครจะไปทําได้ ต่างคนต่างก็ควบคุมตัวเองเอาเการที่เราพยายามมีสติควบคุมจิตอยู่ตลอดไปนี่นะนี่แหละเป็นแนวทางปฏิบัติสืบต่อไปไม่ขาดสายถ้าหากว่าปล่อยให้จิตคิดสร้นไปมากมายแล้วจึงมาสำรวม จึงมาควบคุมอย่างนี้มันไม่ไวมันเคยพุ่งไปเคยคิดไปเคยไปเกาะไปคล้องอยู่สิ่งใดมากๆแล้วจะน้อมมันเข้าให้เข้ามาสงบอยู่ภายในนี่นะมันจะไม่ยอมง่ายๆกิตนี่นะแต่เหมือนกันแหละนี่แหละอิทธิพลของตัณหานะ่ะ ให้พากันเข้าใจไม่ใช่อย่างอื่นนะอิทธิพลของตัณหาแหละที่จิตมันชอบคิดซ้านไปเกาะโน่นเกาะนี้อยู่นั่น mm hmm. ดังนั้นเนะี่ยพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงสอนให้ฝึ ก, กจิตนี้ให้มันเข้มแข็งอย่าให้มันอ่อนไหวไปตามอำนาจแห่งตัณหา น, ะนะั่นหละเพราะว่า ตั้งแต่ชาติไหนชาติอะไรที่ร่วงมาแล้วจะหุนหลังด้วย น, นะตนก็เคยอ่อนไหวไปตามอำนาจแห่งตันหานี่มาขน า, นานับชาติไม่ทวนแล้วไปตกนรก อ, อ, อ, อ, อบวายภูมิทนทุกข์ทรมานอยู่นานแสนานานก็เพราะปล่อยใจให้ไหลไปตามกระแสของตันหานี่เองแหละแตวตันหาบางประเภทมันพายไปทำชั่ววันนี้นะ ไปไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาดื่มสุรามีไรเครื่องดองของเมาของเสพติดไห้โทษทุกชนิดนี่ตัณหาฝ่ายต่ำอันนี้ต่ำจริงอ่มันทำให้คนเราทำบาปห้าประการนี้ได้ผู้ใดมาควบคุมจิตของตนได้ ผูนั้นก็จะไม่ได้ไปทํ า, าบาปฆ่าประการนี้เพราะว่าได้ฟังคําสอนของพระตเจ้าอยู่บ่อยๆแล้วว่าการไปกระทําเช่นนั้นน่ยมันเป็นบาปเป็นโทษแล้วผลแห่งการกระทําเช่นนั้นก็คือความทุกข์อย่างเดียวความสุขน้อยหนึ่งควมไม่มีก็เมื่อผู้ใดเกลียดต่อความทุกข์ ต้องการความสุขแล้วมันก็หาทางเว้นเท่านั้นเองเนี่ยเนื่องมันอ่ะไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องไม่เห็นแก่แต่ความได้ป่ายเดียวต้องฉเฉลียวใจถึงบาปกรรมมันจะนำตนให้ไปเกิดในที่ทุกข์ยากลำบากในโลกหน้าต่อไปพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเรานะ่ะคำหนึ่งถึงโลกหน้าให้มากเออนั่นแหละ ธรรมดาบุคคลผู้ที่ยังละอาสวะกิเลสให้หมดไปจากจิตใจไม่ได้นี่นะมันก็ต้องเกิดเอกอยู่วันนี้ค่ำนะเพราะฉะนั้นเน่ะพระองค์จึงได้ทรงสอนให้คำานึงถึงชาติหน้าต่อไปเมื่อผู้ใดรู้ตัวว่าตนไม่สามารถที่จะละ ก, กิเลสให้ขาดจากสันดานได้ในชาตินี้ ก็ต้องพยายามคำหนึงถึงว่าเมื่อเราละโลกนี้ไปแล้วเราจะไปเกิดในที่ทุกข์หรือว่าจะไปเกิดที่สุขสบายทำอย่างไรเราถึงจะได้ไปเกิดที่สุขสบาย <ừ. S 1> ถ้าหากว่าเราละกิเลสให้หมดไปจากจิตใจไม่ได้ในชาตินี้นี่ทุกคนมันก็ต้องคิดถึงตนอย่างนี้ แต่ถ้าว่าตนสามารถที่จะละกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ในชาตินี้ก็เอาตั้งใจลงอนะ่ไม่ต้องไปมุ่งหวังชาติหน้าเลยแต่ถ้าว่าตนไม่สามารถที่จะละกิเลสให้ขาดจากสันดานได้ในชาตินี้มันก็ต้องมีชาติหน้าอยู่ดีๆนี่แหลนะนะก็ต้องเตรียมตัวไว้นะละาลระสสางตนในสะอาดไว้ เพื่อที่จะได้ไปเกิดในที่สุขสบายไม่ต้องการนายหรอกเพียงแต่ชำระจิตใจของตนนี้ให้มันสะอาดจากบาปอากุศลกรรมต่างๆไว้เท่านั้นแหละถ้าถ้ายังลากกิเลสอันละเอียดอันปานกลางไม่หมดแล้วก็ก็เล้วแต่บุญกรรมมันจะนำไปเกิดแหละไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่ ไม่ต้องคำนึงละตรงนั้นนะเพราะว่าบุญกรรมนี่มันยุติธรรมมากสุดแล้วแต่ใครบำเพ็ญบุญกุศลให้เข้าขั้นใดบุญกุศลก็นาไปเกิดในขั้นนั้นแหละไม่ต้องปรารถนามันก็มันก็เป็นไปเองมันเพราะกำลังของบุญน่ะเหมือนอย่างลูกปืนอย่างนี้นะ กำลังของปืนกระบอกนั้นมันมีกําลังมากน้อยเพียงใดมันก็ส่งกระสุนไปไกลเพียงนั้นแหละเป็นอย่างนั้น <c oughs> อันนี้เหมือนกันแหละกําลังบุญกุศลที่บุคคลสะสมไว้ในใจของตอนนี่มันมีมากน้อยเพียงใดมันก็ส่งจิตวิญญาณนี่ให้ไปเกิดในที่สูงได้เพียงแค่นั้นแหละ ถ้าหากว่าบุคคลสะสมบาปอาคุศลนใส่ตนไว้ไม่ยอมละบาปอาคุศลนั้นมันก็มีกำลังมากกำลังน้อยกว่ากันอย่างนั้นกำลังบาปมันน้อยมันก็พาไปเกิดในที่ทุกข์ยากลำบากเบาขึ้นมาหน่อยหนึ่งถ้ากำลังบาปที่บุคคลกระทำนั้นมันมากมันหนัก มันก็ฉุดฆ่าเอาดวงขีดวิญญาณนี้ให้ตกไปสู่แห่หงห้วแห่งความทุกข์อย่างมากมายมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นไปตามเหตุเหตุมากผลก็ามากเหตุน้อยผลก็น้อยนี่ก็ให้พึ่งพากันเข้าใจไม่ <c oughs> ว่าชีวิตของคนเรานี่มันไปตามเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่ใช่ว่ามันเป็นไปอย่าง้อยๆอยทีนี้เมื่อบุคคลมาทำเหตุปัจจัยนี้ให้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเหตุปัจจัยฝ่ายบุญฝ่ายกุศลนี่นะเมื่อกระทาบาเพ็ญให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเต็มที่มันก็ขจัดกิเลสบาปธรรมน้อยใหญ่ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากกิจใจ เมื่อกิเลสบาปธรรมหมดสิ้นไปแล้วมันก็ไม่มีเหตุปัจจัยอันใดที่จะมานําดวงจิตที่ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไปสุขคติบ้างไปทุกขคติบ้างอย่างนี้ไม่มีนั่นแหละเมื่อมันไม่มีเหตุปัจจัยจะนําไปแล้วมันก็หยุดมันก็หยุดลงหยุดหมุนเวียนนะหยุดไปแสวงหาที่เกิดต่างๆดังกล่าวมานั้นน่ะ ไม่ไปแล้วมันหยุดแล้วนั่นแหละกระแสดงว่าเหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมันทําหน้าที่มันคือละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วมันก็ดับไปอ่ะ ม, มันเป็นอย่างไงแม้ปัญญาก็ดับสุดท้ายมานะเป็นอย่างไงปัญญามันก็ทําหน้าที่ของมันแค่ละ อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาได้โดยเด็ดขาดลงไปแล้วปัญญาแล้วมันก็ดับไปตามกันนปัญญาแหละดับเป็นวาระสุดท้ายเลยนนี้จิตนี้มันก็มันก็เปลี่ยนสภาพเป็นอมตะธรรมแล้ววะนี้เป็นธรรมมันไม่เคลื่อนไหว เป็นธรรมมันไม่มีปัจจัยปรุงแต่งพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติว่าอมตะธรรมบ้างนิพพานบ้างอย่างนี้แหละแต่มันก็อันเดียวกันนั่นแหละคือความไม่เกิดอีกนั่นนะ่ะท่านเรียกว่านิพพานหรือว่าอมตะธรรม เมื่อนั้นแหละมันก็ถึงจะได้ยุติการสั่งสมบุญกุศลและการเพียรละบาปอากุศลต่างๆเหมือนี้นะมันจึงจได้ยุติลงไปถ้าไม่ใช่นั้นแล้วมันจะหยุดการละบาปบำเพ็ญบุญไม่ได้เลยเกิดมาชาติใดก็ต้องมาเพียรละบาปบำเพ็ญบุญไปเรื่อย เพราะบาปนี่มันก็มีทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดปานกลางไม่ใช่มีแต่อย่างหยาบอย่างเดียวนะเมื่อคนละบาปอย่างหยาบได้แล้วมันก็ยังอย่างกลางอย่างละเอียดบาปอย่างกลางพาให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อะไรหมูนั้นแหละหรือว่าพายมันมาเกิดเป็นคน นี่มันไม่พาให้ไปสู่นรกอบายภูมิทั้งสี่เมื่อมาเกิดเป็นคนแล้วหากว่าพลังเผลอไปคบกับคนพาลเข้าคนพาลมาชักจูงให้ไปทำความชั่วมันก็ไปทำกับเขาได้เหมือนกันนะชีวิตของผู้ชนเนี่ยนั่นแ่ะมันมีเชื้อของบาปอยู่เราจะเห็นกันได้อ่ะ คนเกิดมาในโลกนี่ลองสังเกตดูว่าบางคนเกิดมาในตระกูลสูงเป็นคนดีคนดีทีแรกนะ่อยพอไปได้สมาคมกับคนพานเข้าคนพานกนชักจูงให้กระทำความชั่วด้วยกายวาจาใจมีค่าสัตว์เป็นต้นเข้าไปอย่างนี้แล้วตายแล้วก็ไม่ได้เกิดเป็นคนอีกแล้ว บาป ก, กรรมมันก็ฉุดค้าไปสู่นรกอวัยภูมิต่อไปนี่นะเพราะฉะนั้นจึงว่าอันโลกียธรรมนี่นะมันเป็นกุปปธรรมโมเป็นธรรมที่กำเริบได้อยู่บุคคลจึงไม่ควรนิ่งนอนใจควรยินดีคบหาสมาคมกับนักปราดบัณฑิตเสมอไป อย่าไปลิบหาสมาคมกับคนพาลอันคนพาล น, นั่นน่ะเป็นคนที่ไม่มีความปรารถนาดีต่อตัวเองและผู้อื่นไปศึกษาแต่วิชาความรู้อันที่ท่านเรียกว่าตรีรัชานาวิชาวิชาอย่างต่ำนั่นแหละเช่นบางคนก็ไปศึกษา วิชาเวทมนกลคาถาเสกเศกเป่าเป่าอะไรมบอนี้นะหรือบางคนก็ไปเรียนวิชาหาทรัพย์ในดินสินในน้ำบางคนก็ไปเที่ยวหาไอท้ที่ท่านเรียกว่าเหล็กไหล เงินทองมีเท่าไรก็ใช้จ่ายไปในการแสวงหาเหล็กไหลเพราะเข้าใจว่าเมื่อได้เหล็กไหลมาแล้วก็จะมาขายเอาเงินเป็นหลายล้านจะรวยทันทีเลยทีนี้เหล็กไหลเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นยังไงอ่ะอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเลยเพียงจะเล่ากันสืบสืบต่อกันมาเฉยๆ แล้วก็ไปเชื่อเอาว่ามีจริงเงินทองมีเท่าไหร่ก็ลงทุนสแสวงหากันไปเนี่ยเรียกว่าติตรฉาณวิชานะ่ะบางคนก็ถึงกับลงจนก็มีอะฉะนั้นจึงได้ขอพูดไว้ในที่นี้นะผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วก็อย่าไปหลงไหลอย่าไปศึกษาวิ ช, ชาความรู้ต่างๆเหล่านั้นน่ะ เช่นวิชาอาคมใส่นังบางฟันวะยิงไม่เข้าฟันยิงไม่ออกฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าอะไรมูนี้ฮอย่าไปสนใจมันเลยนั่นแ่ละมันหลอกล่อให้คนเรานั้นตายโหงอ่ะพรมันเป็นไปเรียนคาถาอาคมมาแล้วก็ว่าตนอยู่คงกระพันก็ไม่กลัวใครอ่ะ ใครมาป่วงเกินนิดนิดหน่อยไม่ยอมให้อภัยแสดงท่าทางใช้อำนาจบาดใหญ่ก็เขาอย่างนี้นะนั่นแหละมันใกล้ต่ออันตรายแห่งชีวิตบุคคลผู้ที่เดินทางผิดผู้ศึกษาความรู้ผิดเห็นผิดยอมนำชีวิตให้จมลงไปสู่ห่วงแห่งความทุกข์แน่นอนทีเดียว ทางที่ดีแล้วมันต้องศึกษาวิชาความรู้ที่มันจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของตนและคนอื่นซึ่งพระบรมศาตราทรงแนะนำสั่งสอนไว้เช่นการกสิกรรมพาณิชยกรรมมูนีการเป็นช่างต่างๆมูนีทำราชการงานเมือง อันวิชาความรู้หมู่นี้มันเป็นความรู้ประดับโลกมาแต่ไหนแต่ไรทำโลกนี้ให้เจริญขึ้นก็เพราะอาศัยศิลปะวิทยาเหล่านี้เองเนี่ยบุคคลศึกษาแล่าเรียนคน้นคว้าไม่หยุดยัง้งมันก็เลยเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นสามารถพัฒนาโลกนี้ให้เจริญรุ่งเรืองได้ดังในสมัยปัจจุบันน่ะ ที่คนเราได้ศึกษาศิลปะวิทยาศาสตร์ขแขนงต่างๆแล้วได้ความรู้ความเข้าใจในการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องอำนวยความสะดวกสบายให้เอามาจำหน่ายขายให้ผู้มีเงินมีทองซื้อเอาไปใช้สอยอำนวยความสะดวกให้ มูลนี้มันมันล้วนแต่เกิดมาจากการศึกษาเราเรียนศรีรปะวิทยาความรู้ดังกล่าวมานี่แหละไม่ไม่เคยเห็นว่าใครเป็นผู้มีความรู้ในทางด้านเวทมนตลคนาถาความรู้ในการหาทรัพย์ในดินสินในน้ำล้วร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีไม่มีเลยดังนั้นอ่ะ บุคคลไม่คนห ล, นหลงงมงายไปในความรู้เช่นนั้นควรมาศึกษาความรู้ในทางโลกบ้างในทางธรรมบ้างทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันไปสำหรับผู้ครองเรือนสำหรับผู้เป็นบรรพชิตแล้วสมควรที่จะศึกษาพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละโดยส่วนเดียวเลย ไม่ควรสนใจไปศึกษาในวิชาทางโลกอันนั้นมันเป็นการส่งเสริมตัณหาให้มีกำลังกล้าขึ้นไปเมื่อไปศึกษาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมประกอบกันไปอย่างนี้การศึกษาความรู้ในทางธรรมนี้ไม่สําเร็จประโยชน์เลยสาเร็จว่าจะสาเร็จก็สําเร็จแต่เพียงขั้นตื้นๆเ่นั เช่นอยู่ไม่ได้ศึกออกไปแล้วก็ไปทำม า, มาหาเลี้ยงชีพตามความรู้ที่ตนเรียนมานั่นแล้วก็พอมีสินธรรมติดตัวไปบ้างเท่านั้นแหละอันที่จะให้ได้ผลสูงขึ้นไปกว่านั้นจนว่าสามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้มั่นคงไปได้ตลอดชีวิตนี่ยากเต็มทีแล้ว หรือว่าสามารถที่จะบำเพ็ญมรรคผลอันเป็นส่วนโลกุธรธรรมให้บังเกิดขึ้นนี่ก็ไม่มีทางเลยสำหรับผู้ที่ ส, สนใจศึกษา เ, าเรียนทั้งวิชาความรู้ในทางโลกบา้างทางธรรมบ้างดังกล่าวมานั่นนะไอ้ผู้ใดที่หวังความพ้นทุกข์ได้โดยรวดเร็ว หรือว่าไม่เป็นการเสี่ยงแล้วก็สมควรที่จะโน้มใจศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ในทางธรรมทางวินัยนี่แหละโดยส่วนเดียวเลยสำหรับผู้เป็นบนรรพชิตสำหรับผู้เป็นครือข่าแล้วต้องศึกษาวิชาความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมประกอบกันไปด้วยถ้าความรู้ในทางโลกเหมือนกับตาข้างซ้าย ความรู้ในทางธรรมเหมือนกับตาข้างขวาธรรมดาบุคคลผู้มีตาทั้งสองข้างแล้วอย่างนี้ก็ย่อมสามารถที่จะมองเห็นวัตถุสิ่งของอะไรต่ออะไรได้โดยชัดเจนเลยทีเดียวอ่ถ้าว่ามีตาข้างเดียวนี่มองอะไรก็ไม่ชัดอเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละ ขอให้พากันเข้าใจความมุ่งหมายแห่งพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนานี้ความรู้ในทางธรรมนั้นมันเป็นเครื่องเหนียวรั้งใจไว้ไม่ให้เกิดความทะเยอทะยานอยากเกินขอบเขตจนเป็นเหตุให้กระทาบาปกรรมอันชั่วร้าย ใส่ตนของตนมีค่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นบุคคลที่จะทำบาปใส่ตนมีค่าสัตว์เป็นต้นได้นั้นก็เพราะความอยากนี่แหละมันมากเกินขอบเขตจนยอมรับบาปกรรมความชั่วร้ายต่างๆเหล่านั้นนะทั้งที่รู้อยู่นะบางคนนะมันจำเป็นบาปก็ต้องบาปไปแล้ว ทำยังไงได้ถ้าไม่หาก็ไม่ได้กินนะแต่ที่แท้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันอาศัยอวิชชาความไม่รู้ตัณหาความทะเยอทะายานอยากนี่เป็นกำลังผลักดันให้ยอมรับบากรับกรรมเหล่านั้นนะไปนะถ้าบุคคลใดมาเพิกอวิชชาตัณหานี่ให้เบาวางออกไปจากผิตใจ ด้วยการมาปฏิบัติธรมสมาธิภาวนาอย่างว่านี่มันจะมองเห็นช่องทางหลีกเลี่ยงจากบาปกรรมเหล่านั้นได้ธรรมดาคนมีปัญญาเนี่ยมันจะไม่ยอมจนกรอกหรอกจะไม่ยอมปล่อยให้ตนตกไปในหลุมแห่งความทุกข์แหละคนมีปัญญานะเหมือนอย่างคนมีปัญญาในทางโลกอย่างนี้นะเขาก็ต้องเสว่งหาเงินทองเข้าของ ให้ได้ตั้งตนเป็นฝั่งเป็นฝาได้อย่างนี้นะไม่ยอมตนเป็นคนจนเลยคนมีปัญญาเนะ่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่ามีปัญญาในทางโลกก็อย่างว่านั่นแหละมันพาให้ไปทำบาปเราต้องศึกษาในวิชาในทางธรรมประกอบด้วยเมื่อศึกษาในวิชาในทางธรรมมันก็เห็นแจ้งในบาป ว่าเป็นบาปริงออก็มาเห็นแจ้งในพระปัญญาตัดสู้ของพระพุทธเจ้าว่าพราะองค์ได้ตัดสู้แจ้งในเรื่องบาปบุญคุณโทษจริงๆบุคคลใดทำบาปก็จะได้รับผลเป็นทุกข์จริงเนี่ยผู้มาศึกษาความรู้ในทางธรรมแล้วผู้ใดทำความดีด้วยกายวาจาใจมีเว้นจากฆ่าสัตว์เป็นต้น ก็จะได้ประสบบุญกุศลจริงๆบุญกุศลเหล่านี้ก็จะนําบุคคลนั้นให้ไปเกิดที่สุขสบายจริงหากว่าผู้นั้นยังละกิเลสไม่หมดนี่ผู้ศึกษาในทางธรรมนะก็จะต้องรู้แจ้งในเรื่องบาปบุญคุณทอดเหล่านี้นะเมื่อรู้แจ้งเ น, นแล้วทางใดเป็นทางบาปมันก็หาทางเว้นได้เลยทางใดเป็นทางบุญกุศลมันก็ คนขวข้หาไม่หยุดยั้งเลยพยายามสั่งสมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อือก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละธรรมดาคนมีปัญญา